นาคสั่งยุติสุดที่กสูตรว่าด้วยกำเนิดนากรุนรุนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากำเนิดของนาคมีสี่ประเภทนี้คือนาคที่เป็นอันทชาคือเกิดในไขนาคที่เป็นฉลาผู้ชาคือเกิดในคันนาคที่เป็นสังเซทชะ คือเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะและนาที่เป็นอปฏิกะคือเกิดผุดขึ้นไม่มีกายหยาบตัวอย่างของอปฏิกะก็คือสันรกเทวดารมเปรตเป็นต้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้แหลปะปณิตรัสูตรว่าด้วยกำเนิดนาคที่ปรณีตกว่ากัน ในนาคสี่ประเภทนั้นนาคที่เป็นฉลาพุชะสังเสรชาและอบปติกะประนีดกว่านาคที่เป็นอันทชานาคที่เป็นสังเสริชาและอบปติกะประณีดกว่านาคที่เป็นอันทชาและฉลาพุชะนาคที่เป็นอบปติกะประณีดกว่านาคที่เป็นอันทชาฉลาพุชะและสังเสรชาภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้แหล อุโปโสสถัดสูตรว่าด้วยอุโบสถนกรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หน้าที่เป็นอันตชาบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละ ก, กายได้ทรงตอบว่าหน้าที่เป็นอันตชาบางพวกในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อน พวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทากรรมทั้งสองคือทํามกุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยกายวาจาใจเพราะเหตุนั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันตชาคือเกิดจากไข่ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาและใจเมื่อทาได้อย่างนี้พวกเราหลังจะตายแล้ว ก็จะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเราประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้เถิดนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หนาที่เป็นอันตรชักบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้และโดยในยะเดียวกันภิกษุนั้นถามถึงหน้าที่เป็นฉลาปุชะน้าที่เป็นสังเสตชะและหน้าที่เป็นอปฏิกะ แต่ละกำเนิดนั้นบางพวกทำไมรักษาอุโบสถและสละกายได้ทรงตอบเช่นเดียวกันคือนาคบางพวกนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือทํากุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยกายวาจาใจจึงเกิดเป็นนาแต่ละกำเนิดนั้นเมื่อคิดดังนั้นจึงคิดว่า ควรประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจนี้แหละเป็นเหตุให้นาคบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้สุตตสูตรว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมาภิกษุทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคแต่ละกำเนิดนั้นทรงตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจและเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคแต่ละกำเนิดนั้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมาก จึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคในแต่ละกําเนิดนั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคแต่ละกําเนิดนั้นนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้ว จะเข้าถึงการอยู่ร่วมกับพวกนาคเหล่านั้นและโดยนัยยะเดียวกันภิกษุรูปหนึ่งทูลถามถึงเรื่องเหตุปัจจัยที่ให้บุคคลหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคในกำเนิดต่างๆในแต่ละกาเนิดนั้นทรงตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจข้อนี้คือทำทั้งดีและชั่วเขาได้ฟังมาว่าพวกนาแต่ละกำเนิดนั้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าชะไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาแต่ละกำเนิดนั้น จึงทำบุญให้ทานคือให้ข้าวหรือให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ของหอมที่นอนที่พักเครื่องประทีบด้วยความตั้งใจว่าหลังจะตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนาคเหล่านั้นเมื่อถามเช่นนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคในแต่ละกำเนิดนั้นนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาในแต่ละกำเนิดนั้นสุปันนะสั่งหยุดประมวลเรื่องครุฑคือสัตว์ประเภทนกสุดที่กระสูตรว่าด้วยกำเนิดครุฑลุลนลวนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากําเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้คือครุฑที่เป็นอันทชะชาคือเกิดในไข่ครุฑที่เป็นสลาพุชะคือเกิดใ น, นครันครุฑที่เป็นสังเซทะชาคือเกิดในเท่าไคลหรือที่ชื้นแฉะและครุฑที่เป็นอบปฏิกักเกิดผุดขึ้นกําเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้แหล ว่าด้วยกรุดฉุดนาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในครุดสี่จำพวกนั้นกรุดที่เป็นอันตชานำน้าที่เป็นอันตชาไปได้แต่นำน้าที่เป็นสลาพุชะสังเซทชาและอกปติกะไปไม่ได้กรุดที่เป็นสลาพุชะนำน้าที่เป็นอันตชาและฉลาพุชะไปได้แต่นำน้าที่เป็นสังเซทชาและอกปฏิกะไปไม่ได้ ครุฑที่เป็นสังเสทชะนำหน้าที่เป็นอันตรชะฉลาพุ ช, ชะและสังเสทชะไปได้แต่นำหน้าที่เป็นอบปฏิกะไปไม่ได้ส่วนครุฑที่เป็นอบปฏิกะนำหน้าที่เป็นอันตรชะฉลาพุ ช, ชะสังเสทชะและอบปฏิกะไปได้ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑทรงตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติประธรรมกรรมทั้งสองคือทั้งกุศ ล, ลกรรมและอกุศ ล, ลกรรมทั้งดีและชั่วด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกครุฑแต่ละกาเนิดนั้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมาก จึงมีความปรารถนาว่าหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดเป็นพวกครุฑในแต่ละกำเนิดนั้นและอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติทาการมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกครุฑ แต่ละกำเนิดนั้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาจะไปเกิดเป็นครุฑเหล่านั้นเมื่อคิดดังนั้นจึงทำบุญให้ทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานเป็นต้นนั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑในแต่ละกำเนิดนั้นนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจะตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑแต่ละกำเนิดนั้นคันท พ, พะกายสังยุตประมวลเรื่องเทพพวกคนทันคือเทพที่สิงอยู่นักกลิ่นแห่งรากไม้แก่นไม้กระพีไม้เปลือกไม้สะเก็ดไม้ดอกไม้ผลไม้ รสไม้และกลิ่นไม้สุดที่กสูตรว่าดวยเทผู้นับเนื่องในหมู่คันทพเทพล้วนล้วนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีทรงแสดงเรื่องเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทพเทพให้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ เทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทพาเทพเป็นอย่างไรคือเทพทั้งหลายสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มีสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีมีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นที่สะเก็ดมีกลิ่นที่ใบมีกลิ่นที่ดอกที่ผลที่รสสถิตอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นก็มี เหล่านี้เราเรียกว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธพระเทพภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทพระเทพเหล่านั้นทรงตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจ เขาได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันธพาเทพนั้นมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาจะไปเกิดเป็นเทพเหล่านั้นหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้นับเนื่องในหมู่คันทพาเทพเหล่านั้นและโดยในยะเดียวกันทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัย ให้ไปเกิดเป็นเทพผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากทรงตอบว่าบุคคลประพฤติสุจริตทำดีได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาจะไปเกิดเป็นเช่นนั้นจึงทำบุญให้ทานหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดร่วมกับเทพเหล่านั้น ในเรื่องของเทพที่สถิตยอยู่ในส่วนต่างๆของต้นไม้ก็เช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งบุคคลประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจมีความปรารถนาว่าหลังจากตายแล้วต้องการเกิดเป็นเทพยอยู่ร่วมกับเทพทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้ในแต่ละส่วนนั้นจึงทำบุญให้ทานให้ข้าวให้น้ำเป็นต้น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 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าเทพพวกวลาหกเป็นอย่างไรคือเทพทั้งหลายที่เป็นสีตะวลาหกก็มีที่เป็นอุญหาวลาหกก็มีที่เป็นอภะวลาหกก็มีที่เป็นวาตะวลาหกก็มีที่เป็นวัศาวลาหกก็มีภิกสุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่า เทพพวกวลาหกสำหรับวักนี้เป็นเรื่องของเทพวลาหกหรือวาลาหกกะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอธิบายถึงการมาเกิดเป็นเทพเหล่านี้ด้วยเหตุผลเดียวกันในยะเดียวกันกับเรื่องคนฐานเช่นเดียวกันนะครับคือบุคคลประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจได้ฟังมาว่าเทพทั้งหลาย ผู้นับเนื่องในหมู่วลาหกมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาจะไปเกิดเป็นเทพเหล่านั้นเมื่อปรารถนาเช่นนั้นจึงทำบุญให้ทานให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพเหล่านั้นภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้มีความหนาวในการบางคราว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 หมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องในพระไตรปิฎกนั้นถ้าขัดแย้งกับหลักทางวิทยาศาสตร์ก็อย่าด่วนตัดสินปฏิเสธนะครับมีอะไรหลายอย่างที่เหนือจากสัมผัสห้าที่เรายังเข้าไม่ถึงหลักทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นแค่หลักเบื้องต้นเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับเหมือนยาดีรักษาโรคบางคนหายแต่รักษาบางคนตาย ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในและสิ่งเหนือมิติอีกมากที่หลายคนยังปฏิบัติไม่ถึงยังศึกษาไม่ถึงแต่กลับตัดสินใจว่าสิ่งที่ฉันไม่เห็นมันต้องไม่มีเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นสีเขียวสีขาวแล้วก็บอกว่าสีเขียวสีขาวไม่มีมีแต่สีดํามีแต่ความมืดเท่านั้นถ้าฉันมองไม่เห็นสีเขียวสีขาวนั้นก็ต้องไม่มี และอีกนัยยะหนึ่งนะครับคำสอนในพระไตรปิฎกหลายส่วนเป็นอุปมาเป็นเรื่องเปรียบเทียบหรือเป็นนัยยะแฝงบางคราวก็เป็นการยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องสัตว์พูดได้เป็นต้นนั้นก็เป็นการอุปมาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นอย่างให้ผู้ศึกษาทาใจให้ว่างอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนปฏิเสธ แต่ฟังจับใจความเนื้อหาหลักที่จะทำให้เราหมดความยึดมั่นถือมั่นและบรรลุธรรมได้ในที่สุดก็พอนะครับทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความร้อนในการบางกล่าวทรงตอบว่าเทพพวกอุณหวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอ พวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นความร้อนจึงมีนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีความร้อนในการบังคราวทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้มีหมอกในการบังเราวทรงตอบว่าเทพพวกอภัพวลาหกมีอยู่ เมื่อใดเทพเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเองเมื่อนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจของเทพเหล่านั้นหมอกจึงมีนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีหมอกในการบังคราวและโดยในยะเดียวกันเทพพวกวาตะวาลาหกเป็นปัจจัยให้มีลมในการบังคาว เทพพวกวัสวลาหกเป็นปัจจัยให้มีฝนในการบางคราวหมายเหตุผู้อ่านข้อสังเกตในเรื่องนี้อย่างให้จับใจความตรงคาว่าเกิดขึ้นบางคราวนะครับไม่ได้หมายถึงทั่วไปยกตัวอย่างนะครับในวัดบางวัดสถานที่บางแห่งทั้งที่อากาศภายนอกร้อนแต่ภายในกลับเย็นสบาย หรือมีกระแสบางอย่างทําให้ใจหายร้อนรุ่มกลับกันนะครับในสถานที่หลายแห่งเมื่อเราเข้าไปจะเกิดความอึดอัดทางใจความไม่สบายใจสําหรับท่านที่เจริญสติได้แม้ระดับเบื้องต้นนะครับก็อาจจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวขนลุกจิตใจหดหู่หรือเกิดความชุ่มเย็น อันนี้เป็นพลังงานที่ทุกคนพิสูจน์ได้นะครับกับคนธรรมดาบางครั้งน่งใกลยใ้ยังรู้สึกแตกต่างกันนั่นคือกระแสพลังงานที่แผ่ออกมารอบตัวของเขานะครับอันนี้แค่คนธรรมดายังไม่ต้องเทียบกับเทพผู้มีฤทธิ์เลยแต่หลายอย่างก็ต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวบางคนเข้าใจว่าฝนในบางกล่าวเกิดจากเทพ ก็เที่ยวหว้ยวอนขอร้องในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้แล้วนะครับว่าถ้าผู้นำไม่ดีไม่มีศีลถ้าประชาชนไม่ดีไม่มีศีลภัยพิบัติเข้ายากหมากแพงภัยแ้งน้ำท่วมเป็นต้นนั้นก็จะเกิดถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแต่กล่าวใดผู้นำเป็นคนดีมีศีลประชาชนมีศีลมีธรรมที่นั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลพวกที่คลั่งวิทยาศาสตร์นะครับก็ควรจะเข้าใจในัยยะพวกนี้ด้วยว่าหนึ่งบวกหนึ่งอาจไม่เท่ากับสองเสมอไปเช่นไฟหนึ่งกองกับน้ำหนึ่งกองบวกกันก็อาจกลายเป็นศูนอันนี้คือนัยยะของความเป็นจริงของธรรมะของชีวิตที่มีความหลากหลายเกินกว่าสัมผัสห้าหรือคนที่มีแค่สัมผัสหยาบ จะรู้ได้ดังนั้นจึงไม่ควรด่วนเชื่อหรือด่วนปฏิเสธจนกว่าจะศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติให้เข้าถึงนะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยวัชโคตสังยุตประมวลเรื่องวัชโคตปริพาชกรูปอัญญาณสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในรูป สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นปริภาชกชื่อวัชโคตเข้าเป้าทูลถามดังนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกคือโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือคนและอย่างกัน หลังจะตายแล้วตถาคตคืออาตมันนั้นเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นทรงตอบว่าเพราะความไม่รู้ในรูปเพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดรูปและความไม่รู้ในความดับแห่งรูปเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้น และโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูปคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะความไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นไม่รู้เหตุเกิดเหตุดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นทิฏฐิหลายอย่างเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นเพราะความไม่เห็นในรูป เพราะความไม่เห็นในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเป็นต้นนั้นเพราะความไม่รู้แจ้งในรูปเพราะความไม่รู้แจ้งในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเป็นต้นนั้นเพราะความไม่รู้เท่าทันในรูปเพราะความไม่รู้เท่าทันในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเพราะความไม่แทงตลอดในรูปเพราะความไม่กำหนดในรูปเพราะความไม่เข้าไปกำหนดในรูป เพราะความไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในรูปเพราะความไม่เพ่งในรูปเพราะความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะในรูปเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในรูปเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเหตุเกิดเหตุดับและในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิทั้งหลายเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง หลังจากตายแล้วต ถ, ถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้นนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกดังนั้นสมาธิสังยุต์ประมวลเรื่องสมาธิคือการทำใจให้ตั้งมัน่นสมาธิมูลกัสมาปฏิสูตว่าด้วยการเข้าสมาธิอันเป็นมูล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 ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้คือบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิเป็นผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ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 และโดยเนยะเดียวกันแต่ว่าด้วยความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูลคือเป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในความพร้อมในสมาธิว่าด้วยอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูลเป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอารมณ์ในสมาธิว่าด้วยโคจรในสมาธิอันเป็นมูล คือเป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในโคจรในสมาธิโคจรในสมาธิหมายถึงฉลาดในการเว้นธรรมะที่ไม่เป็นอุปการะแก่สมาธิแล้วเลือกเจริญแตธรรมะที่เป็นสัพพายะและเป็นอุปการะโดยรู้ว่านี้คือกามอารมณ์ที่เป็นนิมิตคือเครื่องหมายสำหรับทำให้จิตกำหนดนี้คืออารมณ์ที่เป็นไตรลักษ ว่าด้วยอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูลบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในอภินิหารในสมาธิหมายถึงฉลาดในการเจริญสมาธิขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถะฌานตามลําดับจนเกิดความชนานาญแล้วเข้าสมาธิขั้นสูงขึ้นไป ว่าด้วยผู้ทำโดยเคารพในสมาธิอันเป็นมูลบุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทำโดยเคารพในสมาธิว่าด้วยผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูลบุคคลผู้ได้ชาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิว่าด้วยผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูลบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและทำสัปปายะในสมาธิบุคคลผู้ได้ฌานถึงพร้อมแบบนี้นั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด พระไตรปิฎกเล่มที่สิบเจ็ดพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เก้าสังยุตตานิกายขันธวารวักจบบริบูรณ